หัวข้อมหาสติปัทานสูตรตอนทุกขอริยสัจความจริงเกี่ยวกับทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขอริยสัจเป็นไนแม้ชาติก็เป็นทุกขแม้ชราก็เป็นทุกขแม่มรณะก็เป็นทุกขแม้โศกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาตก็เป็นทุกขแม้ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข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 แม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ก็ความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋เนอขอเราไม่พึงมีความเจ็บเป็นธรรมดาขอความเจ็บอย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้ส่งความปรารถนาแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์